ก่อนอื่นหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับทั้งฝ่ายคณะัตาญาติโยมแล้ก็ฝ่ายพระสงฆ์ที่รับผ้าบังสกุลในครั้งนี้เพราะการรับผ้าบังสกุลในครั้งนี้มีความหมายไม่ใช่ว่าคิดสนุกขึ้นมาแล้วก็จะจัดให้พระเอาจตุปัจจัยไปถลุงเล่นไม่ได้คิดอย่างนั้นผู้ที่ริเริ่มอย่างหลวงพ่อกับคณะสงฆ์ ที่อยู่ในเขตถิ่นอำเภอนายูงน้ำโสมของเราเนี่ยก็ได้คิดพิจารณาดูแล้วหลายครั้งเมื่อปีก่อนๆ ก, กับพวกเราก็ได้ทํากันมาแต่ปีนี้ก็เสียเวลานมนานมากเพราะว่าการคิดทบทวนความพร้อมไม่พร้อมของคณะสงฆ์ว่าจะจัดงานวันไหนก็ไดบนิมนต์มาประชุมที่วัดของหลวงพ่อเกือบเดือนกว่ามาแล้ว ก็ตกลงกันกันนัดกันในวันนี้การที่นัดพระสงฆ์มารับผ้าป่ากับพวกเราก็ได้พิจารณาดูแล้วพอเราลงไปในพื้นที่เห็นความจริงว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ละวัดก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าจำเป็นอันดับแรกก็คือไฟป่าที่จะต้องได้รักษาจะต้องเอาลถไถล แทคเตอร์ปรับสถานที่ถนนหนทางทางรอบในวัดเพื่อจะให้สู้กับไฟป่าแลืววิ่งไปดูไฟป่าได้เมื่อไฟป่าเข้ามาถ้าหาว่าไม่มีถนนหนทางเราจะวิ่งลัดป่าผาดงเข้าไปก็ทำให้ไฟป่าไม่เข้ามารักษาไม่ได้และก็พร้อมกันก็เป็นอันตรายกับพระที่เข้าไปด้วยเพราะว่าไม่มีทางหนีทีไร เพราะนั้นคึงมีความจาเป็นพวกเราก็ได้คิดทบทวนพอสมควรที่จะจัดผ้าป่าขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคิดสนุกจัดขึ้นมาเพื่อกินข้าวต้มขนมไม่ได้คิดอย่างนั้นก่อนที่จะได้จตุปัจจัยมานี่ก็บอกกล่าวสัตยายญาติโยมตลอดถึงวัดแต่และวัดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นครูบาอาจารย์ก็ได้ควักกระเป๋าของวัดออกมาเพื่อช่วยวัดน้อง ให้ได้รับจตุปัจจัยเพื่อไปบำรุงดูแลวัดวาศาสนาของตนเพราะฉนั้นที่พวกเราจัดในวันนี้ก็ถ้าจะว่าไปก็ประสบความสําเร็จเพราะได้จตุปัจจัยคาดไม่ถึงหลวงพ่อคิดว่าถ้าได้วัดละห 0,000 ื่นหลวงพ่อเองก็เป็นที่พอใจอย่างมากแต่ได้ปัจจัยขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอนะสําหรับใช้ดูแลแต่ละวัดแต่นี้ได้ถึงแสนกว่าแสนกว่านิดหน่อยก็เป็นอันว่า ก็คงจะได้ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ความเป็นมาของศรัทธาคือผู้ให้คือผู้ให้คือศรัทธาปฏิคาหคือผู้รับผู้รับเมื่อรับไปแล้วควรจะทำตัวอย่างไรควรจะใช้จ่ายปัจจัยเหล่านี้อย่างไรอันนี้ก็ขอฝากให้กับพวกท่านทั้งหลายทั้ง12ท่านที่มานั่งรับภาพ ป, ป่าแห่งนี้ ให้คิดว่าจตุปัจจัยทายาธรรมที่พวกเรารวบรวมมาถวายในวันนี้ไม่ได้คิดสนุกสนานขึ้นมาแล้วก็จัดขึ้นมาเพื่อถวายพวกท่านไม่ใช่ด้วยน้ําจิตน้ําใจมองเห็นอนาคตของพระพุทธศาสนาที่จะบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพร น, นานเท่านานจึงได้จัดเป็นผ้าป่าเพื่อจะให้พวกท่านทั้งหลายดูแลเสนาสนาสง์เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าแต่ละวัด ก่อนที่จะใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องเล็กซะก่อนต่อไปภายภาคหน้าไม่มีใครจะทํานายได้ว่าแต่ละวัดที่พวกท่านทั้งหลายจำพรรษาอยู่นี้จะอยู่เพียงองค์สององค์เท่านี้ต่อไปอาจจะเป็นพระ2030องค์ศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้าไปอันนี้ก็ไม่มีใครที่คาดคิดได้เพราะฉนั้นก่อนที่จะให ญ, ใหญ่อย่างนั้นพวกก็ต้องเล็กซะก่อนในเมื่อเล็กถ้าเราไม่เลี้ยงกันไม่ดูกันไม่แลกัน ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาก็คงจะลำบากเพราะนั้นคณะสงฆ์สัตายาติยมจึงได้รวบรวมกันถวายเจตุปัจจัยเพื่อดูแลปลามรุงพระพุทธศาสนาเสนาสนะทั้งเป็นวัดแล้วก็เป็นเป็นสำนักสงฆ์ที่เป็นวัดแล้วก็มีนะที่เนี่ยที่ท่านมานั่งเนี่ยที่เป็นสำนักสงฆ์ก็มีให้เจริญในพระพุทธศาสนานานเท่านานแล้วจะตุปัจจัยเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายทั้ง12ท่านเมื่อได้รับไปแล้วก็ขอให้คิดซะก่อนค่อยใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าได้เงินได้จตุปัจจัยมาแล้วใช้แบบไม่มีคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของจตตุปัจจัยขอให้คิดซะก่อนก่อนใช้ทุกครั้งว่าเงินนี้เป็นเงินที่มีคุณค่าที่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์และก็พร้อมศรัทธา ญ, ญาติโยมได้มอบให้แก่พวกเรา แล้วว่าการจะใช้จิตุปัจจัยอย่างที่ว่าเนี่ยถึงจะน้อยนิดในความรู้สึกที่ท่านที่มั่งคั่งแต่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดป่าอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างผมเป็นต้นนะผมไม่ได้ถือว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินน้อยนิดนะในหัวใจของผมผมว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ใหญ่มากถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์อย่างมากสําหรับวัดนั้นๆไม่ใช่ว่าให้ใช้ปีเดียวก็จบ ก็ควรจะเก็บเอาไว้บ้างเมื่อคราวจําเป็นถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอนาคตของพวกท่านทั้งหลายยังไม่แน่นอนว่าแดดลมฝนพายุต่างๆจะมาถลม่มทลายสลากุติห้องน้ําห้องส้วมของท่านพวกท่านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นควรจะเก็บจัตุปัจจัยก้อ น, นี้ไว้ให้เกิดประโยชน์เก็บไว้ในที่ปลอดภยัยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือธนาคารที่เขารับเก็บเอาไว้แต่เงินก้อนนี้ผมขอฝาก แล้วก็ขอประกาศให้ศรัทธาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเงินก้อนนี้คณะสงฆ์มอบให้แก่สมภารที่รับผ้าป่าวันนี้ให้สมภารเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปเก็บไว้ไม่ใช่ว่าเอาไปให้แล้วก็ให้ศรัทธาญาติโยมเขาจะแบ่งให้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่ใช่อย่างนั้นให้พวกท่านเป็นใหญ่ ในจตุปัจจัยในปัจจัยก้อนนี้ให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านปัจจัยสคือเสนาสะนะเจ็บไข้ได้ป่วยผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอาหารการบริโภคขอให้พวกท่านทั้งหลายคิดซะก่อนแล้วก็ใช้จตุปัจจัยจตุปัจจัยที่ว่านี้ในเมื่อมีความจำเป็นพวกท่านนรรมญาติโยมที่เกี่ยวข้อง เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่ผมได้กล่าวจะข้าวก่อนนะว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพวกท่านทั้งหลายจะเหมารถให้เขาที่เขาอุปถัมปถาเราก็ใช้ได้ข้อสาคัญให้เกิดประโยชน์ให้เป็นธรรมอย่าไปใช้แบบอิลุยชุยแฉกถ้าว่าผู้ใดองไรก็ตามนะถ้าว่าใช้ผิดประเภทผู้ที่เกี่ยวข้องที่นั่งอยู่เนี่ยญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่นะที่อยู่ใกล้วัดนั้นนะ สมภารใดก็ตามถ้าว่าใช้ไม่ถูกต้องให้ญาติโยมที่เป็นหูเป็นตาเนี่ยบอกให้หลวงพ่อด้วยว่าสมภารใช้เงินผิดประเภทนะนะหลวงพ่อนะหลวงพ่ออินนะใช้เงินผิดประเภทแล้วผมมองดูแล้วเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะสืบสอบดูหลวงพ่อจะไม่ให้องค์นั้นมารับผ้าป่าอีกเพราะว่าเงินหลวงพ่อที่จะได้มาเนี่ยไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆได้มาคิดแล้วคิดอีก บอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกออกสถานีวิทยุออกแล้วออกอีกก่อนที่จะได้จตุปัจจัยอันนี้มาเพราะนั้นก่อนที่สมพานทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะใช้ขอให้พวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีซะก่อนค่อยใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอย่าไปท้อใจอย่าไปน้อยใจว่าหลวงพ่ออินก่อนที่จะให้จตุปัจจัยมาทั้งดุทั้งด่าทั้งว่าทั้งกล่าวทั้งสอนหมัดสอนมวยให้แก่พวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้ผมคิดด้วยความเป็นธรรม แนะนำในทางเป็นธรรมให้พวกท่นานอะไรคิดให้เป็นธรรมนี่ที่ผมพูดเนี่ยแล้วก็นําไปใช้นําไปปรับปรุงแก้ไขนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พราะเงินของพุทธบริษัท4เนีก่อนที่จะได้มา ก, กับอย่างที่ว่าเนี่ยนะเหเงื่อตกอย่างไหลขนาดนับเงินเฉยเก็พอแรงก่อนที่จะได้จะตุปัจจัยมาก็ไม่ใช่ของได้ง่ายงเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้พร้อมใจกัน ถวายเป็นกุศลด้วยการสั่งสมบุญกุศลเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาร่วมกันถวายผ้าป่ากับผ้าสง์ที่วัดตกค้างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังใน ม, มีความจําเป็นมากน้อยอย่างไรแค่ไหนพวกเราได้บารุงพระพุทธศาสนาบุญกุศลที่พวกเราได้ทำบุญทาทานเนี่ยอันในสงในการทาทานนี่พวกเราจะไปเกิดณนะสถานที่ใด อยู่ณถิน่นใดที่ใดพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจด้วยอันิสงทานพระพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาพบใดชาติใดพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ประมาทในการทำทานสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นกิตติดาบทนะ่นะขณะท่านมีใบหมักเม่าไนะใบหมักเม่าเป็นอาหารของท่านกินเม็ดหมักเม่าเสร็จแล้วกินใบมันเอาหนึ่งใบมาทานทานวันละครั้งอีกต่างหากนะ ใบหมักเม่านี่หลวงพ่อเข้าใจว่าน่าจะมีวิตามินโปรตีนอยู่ในนั้นนะขนาดลือสีอยู่ในป่ากินแล้วไม่ตายเนี่หลวงพ่อว่านพวกเราน่าศึกษาเมึงกันนะเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนตัวเล่มไหนถ้าเป็นลือสีสีภัยแล้วท่านจะบอกขั้วกินใบหมักเม่าฮะก็คงเจะเป็นหมักเม่าที่เขาทําน้ำน้ำมัทธบาลนี้ก็มัง้งอ่แล้วกินหมากของมันเสร็จแล้วกินใบมันเอามันนึ่งเฮีมันนึ่งให้สุก สุกแล้วก็กินใบแต่ละวันละวันทีนี้ท่านฤาษีอกิตะดาบทเนี่ยท่านเป็นพรามนะท่านก็ไปอยู่ในป่าลึกท่านก็ปั้งตั้งความปรารถนาของท่านปับำเพ็ตะปาจึงในก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตให้ตัดจะรู้ให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ท่านก็ไปอยู่ในป่าองค์เดียวพระอินยุบบนชั้นสวรรค์นะเออพระอินอยู่ชั้นสวรรค์เอฤาษีคนเนี่ยนะ เขาปรารถนาอะไรทําไมเอ่บัลลังก์ของเราจะเทือนสะทานจะเถือนสะทานอยู่ตลอดเนี่ยสงสัยเขาจะปรารถนาเอาตําแหน่งพระอินทร์ของเราเชละมางเนี่ยเนี่ยเพราะพระอินทร์บัลลังก์สะทานแบบนั้นเนี่ยวันไหวแบบนั้นน่ยพระอินทร์ก็เลยนลิรมิตรลงมาเป็นพรามนะเป็นพรามก็เดินเข้ามาหาพระฤาษีนั่นแหะพระฤาษีก็แค่ว่าพอตอนเช้ามาหนึ่งใบหมักเม่าเสร็จแล้วท่านก็เอา เอาใส่ในภาชนะคอยไว้ให้มันเย็นพอมันเย็นเสร็จแล้วท่านก็จะไปทานะไปทานแล้วก็จบวันหนึ่งเอาเพียงแค่นั้นแหละท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษเนี่ยแต่เดี๋ท่านก็เนื่อใบหมักเม่าเสร็จแล้วท่านก็เอาไว้คอยให้มันเย็นท่า น, นี้ลือสีปลอมเนี่ยแหละคือเป็นพระอินทร์อยู่ชั้นฟ้าเนี่ยท่านก็เป็นลือสีเข้ามาเลมาเข้ามายืนอยู่หน้าศาลามายืนแค่ๆมาขอเพราะงั้นจ้ะ ขอต่อขอขอกันมากันเถอะท่านก็มายืนมายืนลือศีนี่ก็รู้แล้วโอ้ลือศรีนี่ท่านคงมาขอมาขออาหารจากเราลือศีนี่ก็ท่านก็ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมการทําบุญทาทานท่านเปี่ยมด้วยหัวใจจริงๆไม่มีอะไรท่านกับเข้าไปกับยกมือแล้วเอาใบหมักเม่าเทลงในภาชนะของลือศีนั้นลือศีนี่ก็พอรับใบหมักเม่าออไปก็เดินออกไปจากนั้นก็หายครับ ขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะเป็นพระฤาษีปลอมเนี่ยก ว, วันล่งขึ้นกัลงมาเอกฤาษีเ น, นี่ยก็พอหนึ่งใบหมักเม่าเสร็จแล้วก็นั่งคอยเอียงเก่าเนี่ยแหะให้มันเย็นวันนั้นฤาษีววนเนี่ยก็เข้ามาถวายเอกพอ่อถวายแต่ละครั้งเนี่ยท่านไม่หาอีกเดชท่านไม่ทําอีกทําครั้งเดียวท่า น, นั้นแปลว่าวันนั้นอดอาหาร อ, อ, อดใบหมักเม่า ว, วันที่1วันที่2องพอถึงวันที่3ามตัวนี่ฤาษีนี่ก็ทําอย่างเกา่า มาลือสีปลอมนี่ก็มาอย่างเก่าพอไม่ได้กินสามวันมันไม่ได้กินอาหารลือสีเนะี่ะพอตกตอนบ่ายท่านก็นเหนื่อยเพลียใช่ไหอแต่ใจของท่านเน่ยเบิกบานว่างั้นน่ยมีปีติสุขอิ่มใจวัตถุตัวเองได้ทําทานจากนั้นท่านก็มานั่งอยู่ข้างนอกบรนสลาลือสีปลอมนี่ก็เข้ามาเข้ามาว่าท่านลือสีท่านปรารถนาอะไรลือสีนี่ว่า ข้าไเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตไม่ได้ปรารถนาอะไรทั้งหมดในโลกนี้ตนโลกธาตุนี่พระอินทร์ก็เลยเออเบาใจว่า ง, งั้นเถอะเพราะว่าที่แรกเขคิดว่าเขาจะปรารถนาเอาบัลลังก์ของตนเองปรารถนาอยากจะเป็นพระอินทร์ว่า ง, งั้นเถะนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญทําทานของพระพุทธเจ้าขนาดใบหมากเม่าท่านก็ยังเสียสละทําบุญทําทานจนไม่ทานอาหารอีกออนี่แหละ ถ้าจะพูดไปก็เป็นเป็นชาดกที่ยืดยาวที่เดียวสรุปแล้วก็คือการทําบุญการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ได้ทําบุญทําทานเกี่ยวกับทานศีลภาวนาบารมี30ทัศน์ของพระ อ, องค์ท่านนี่แหละเพราะนั้นพวกเราสาธุรสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้เดินตามแนวแถวพระพุทธเจ้าทาว่าการทําบุญทําทาน เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากการกระทําสิ่งใดก็ตามอันิสง์ในการทําทานของพวกเราเนี่ยในเมื่อขับขันเริ่มมีความจําเป็นเราระลึลกถึงอันิสง์ทานของเราด้วยสาธุนะ่าข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานไว้ในพระพุทธศาสนาได้ทาบุญทําทานไว้กับพระสงฆ์ได้ทําทานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยอันิสง์แห่งการทําทานของข้าพเจ้าข้าพเจ้า คราวนี้ตกทุกข์ได้ยากละขับขันแล้วโดยอานิสงส์สินทานที่ข้าพเจ้าได้ทํานั้นจงมาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าด้วยเทินนะีสิ่งเหล่านี้ที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังนะหลวงพ่อเชื่อเหลือเกินว่าการคิดอย่างนั้นการกระทําอย่างนั้นการนึกคิดถึงฟุน่นเามความดีอย่างนั้นบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ดีแล้วจะเข้ามาเกื้อกูลหนุนพวกเราจะประสบความสาเร็จเรื่องร้าย ก็จะกลายเป็นดีไปได้เพราะฉะนั้นอเ น, นสงสินทานภาวนานี่จะไม่ไปที่ไหนเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์ผ้าป่าตกค้างก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีต่อ น, นี้ไปก็คณะสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรก็คงจะจบพิธีแต่ก็พร้อมกันให้อุทิศส่วนกุศลถึงผู้มีพระคุณ พ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะรับพรยาเท้า